พระธรรมเทศนาจะดกเรื่องนางนวลคำผูกติสี่เรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับเดิมเมืองเจียงตุงโดยป่ออินสมใจ ช, ชมพูป ร, รียนธรรมภูประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจียงไห้นโมตัสภ า, ากวตัตตราโตส ม, มาสัมพุทตธธา ตตปัฏฐานญาคาราจสุราเมฆารัตราชัมปติ่งนิยเตตวติสาธาบูดุราสปุริจตาตั้งลายตั้งยิงใจน้อยใหญ่ผู้มักไฟตั้งบุญอันจักหนุนทรงยู อได้อยูส่สดีเข้าของมีบ่ไรดูต่างใจเตตานขาอตัวหานอุบาทบ่มาปาติดวันจริงปากันมวนหมู่มาพร้อมอยู่ฟังธรรมจุงด้จำติดต่อตามบาทขอ้อบาลีวาตตะโตปัฏฐานะดังนี้เป็นต้นบัตรนี้แดเตอ ถ้าต่อปัญาญะทัแต่นั่นไปไปนาบ่อเนินจ่าหึงนานยักผู้บ้านยศใหญ่เป็นเจ้าไพระาจาก็อุตสาพีเศกอติเรกทุนควันยกหอจันภาษาตังไยราคนไในจากเวียงใจเตตต้องหื้อสองปีน้องสองข้า คือสุราเมฆาปีเก้าคือเป็นเจ้าภาปุรีส่วนเจ้าบุญมีน้องซอยคือเจ้ายอดซอยตาสะวราเป็นอุป ร, ราชานยอดใหญ่แกมปีไทยเสวยรมทองอูดมปีน้องได้นั่งห้องเป็นพญายาแก่ยักษ์ขาพายเพชร ในคงเขตดงรีสวยสีคาเจ้าบ่หมนเศร้ามองผ่านอยู่สำรานบ่ขาดในผาสาดห่อใจย้ยอนบุญในจาดก่อนหากจักสนน้ำมาโซยักขาราชาส่วนพาญยายักยดใหญ่ได้ลูกใหม่สองใจ มีใจพายพองแผวถึงตีแล้วมโนในซ้ำกึดใจคำเจ้าไข้ือสองเจ้าบุญนำหูมนยำองอาจตั้งสิภาษะทารงคุณอันจักหนุนก็เกลือหืด อ, อเนื้อสองสลีมีฤทธิ์ที่อันใหญ่ภาพได้ไขออนา มันก่อป่าส่องเจ้าไปป่าเศร้าดงดานแล้วจาวานตันต่ววาดูราส่องหนอคำใจพ่ออิดลายเหลือแลย้อนเท่าแก่จาราฟุงโรกาผ ญ, ญาตก็มาปาดเบียนขี้พ่อมีบุญดีพระเสิด มีคุณเลิดเดือลายขอบุญภายน้อยนอเฮียนสืบต่อมนยำเฮียนแล้วจำเฮือได้เตียงได้ใจวันลูนสิบปากุลคุณมากป่อนีหากจากปันปอจากผายพันดันสอดขึ้นสู่ยอดด้อยพาเสกคาถาเป็นไก <c oughs> ตัวน้อยใหญ่เปิงเป้าขนมันข่าวดูลากงอนมันหากแดงดีไก่นั่นมีเป็นหมูเล่นสะสูมหาขอสองขาบุญใหญ่ยับหือใดควบกินอย่าหือบินรอดข้างอันหนึ่งปอจักมั่งหินพา กิ่งลงมารอเจ้าเห่อลูกเต้าเตรียมใจรีบแล่นไปหับไว้กันหับใดกับมือสองบุญหรืออย่าจ้าสัดเข้าป่าไปปันอันหนึ่งจักหันงูเห่าตัวใหญ่เต้าปลายขาเล่นลงมาต่อหน้าสองเจ้าอย่าพระนี้ แปงใจดีมันแก่นหันงูเล่นมาไว้จุงเข้าไฟหบภาพเกี้ยวสาวาบบัดเดียวยักดงเขียวที่ราดก็ดย้ายบาทนีลาขึ้นด้อยพาสูงใหญ่แปลงเป็นไก่มาพันสองเจ้าหันแล่นไหลยับเอาได้จูตัว พบกินหัวกับเกีวปากและเคีวเป่าแดงลวดมีแรงเต่าจางนับอ่านอางเจตตัวบอกลัวแหลยานบ่อาสะาตาันไปใดยักดงพยผู้เท่าซ้ำเสกเป่ากฐาเป็นหินพาก้อนใหญ่กิ่งมาไกัเป็นสายตั้งสองใจปีน้องก็ไว้วงบัดเดียว พับรีเร็วบอ่จ้าแล้วสัตว์ตกป่าแดนไก่ซ้ำเล่งไปแถมเล่าหันงูเห่าตัวลวงคอเป็นปวงไขซ่ซอยหลังลายพ้อยอปูนกลัวมันย่อหัวมาไกลผู้ปิดใจซาสนตั้งสองคนเข้าภาพแล้วกันกาบคบกิน เหลือตกดินย่อยยาดสองน้อยนาดรอมแป้งลวดมีแห้งอัดอางเต่าสาวจังปายสารยักคุณมานผู้เท่าหันสองเจ้าเอากำ mm hmm. บ่อลืมลำสะตานบ่อกัวยานอันใดยินมีใจจื่นยาวว่าลูกบาวกูดีมันก่อนี้ลาผากลลงมาจากดอยผา แลสอนคาถาวิเศษคือเจ้าน้อยเนตรสองใจคือมนต์ตัวหายเปลวว่างไพ่บ้างเล่งหันมนบังฟันสักญ่เป่าใบไม้เป็นคนเป่าเป็นฝนเป็นน้ำได้เสียงซ้าจูอันอันมันสอนปั่นกูเชื่อย้อนใจไฟเอื้อปิญญา ส่วนสองบุญน า, นายอดใหญ่ก็เฮียนเอาได้จูภาคานยักใจห่านหูแล้วยินผ่องแผ้วสมมนัชช า, าป้าสองขาปีน้องปอกสู่ห้องหอคำเจ้าบนนำตั้งกูสถิตอยู่หอใจกลางดงไพลด่านดาวได้เป็นเต้าแก่ยักขา ลายวัตรควบเขาสองเจีองเจ้าขี่มองข้าหนิงกองบอกขาดตุกไม่มาตั้งวันไข่าปากันปิกปอกหวายหน้าออกขึ้นเมือง <c oughs> มีกำเคคื่องใจใจจริงน้อมใบทุนสายังพญายักษ์เท่าไข่ตมเล่าตามีแล้วา ล, ลานีขึ้นสู่ยังตี้อยู่เมืองค น, นแลนะ ตามดทังปกาเซนโตสัพธาอันวาสัพปัญญูอยอดจอยหันบาทถอยบาลีบทลังมีไปแจงพระจริงแสงเตสนาวะาาทัคโหหาตารดังนี้เป็นตนพิกข้าเวดูราพิกคุส่งตนทารงสินไสสะอาด <c oughs> อันว่าสองน้อยนาดกุมม่านอยู่สำรานจื่นจ้อยในผ า, าสาดซอยใส่สีในดงรีป่าเศร้าได้เป็นเจ้าแก่นักหาสิบวัตาเป็นเขตหกเดือนเศษเป็นปลายสองคำใจยศใหญ่หอนเอาไม่ไปยใน ให้นีไกลลาภาคออกไปจากไพรสนปอกเมืองคนคงเขตแดนพราเตศธานีจึงอันจุลีกรมเก่าบอกพญายักษ์เท่าจูพรกการยักษ์ขุนมันยศเง้ยวหูแจ้งข่าวขี้ยา ยินเกื่องกาเอาไมดังเอาไตไฟล้นหักสองคนดังโลกจริงได้ผูกเป็นคุณปางไฟลุนมารอดปล่อยจากตอดล้านี้ตุกบองขีลายแลเกิดขึ้นแกกุมมันก็อดจาวานตันตวาดูระนอสองใจ ป้อนี่หมายปึงเจ้าใดเป็นเก้ารีปนสืบแทนตนแห่งป่อก่อสร้างต่อปาราป้อนี่นะแกแล้ววางเปึงลูกแก้วบนมีป่อยจักนีผาค้างเฮือเปลวว่างมองเงาเป็นดังเอามีดปาดเฮือแขนขาดสองปลาย โกตุกลายบ่อน้อยเตียงจ่องหอยตัวมาป่อพิดจารณนาธิสั้นสองเื่องจันเป็นคนจากเมืองตนใจจ้ามาอยู่ป่าดงรีเหมือนหลายปีขวบเขาย่อมกึดเล่าเมืองหลัง พ่บอบอ่อจังเยื่งได้พ่บอบ่อใกล้สองขาพ่บอบ่หนาห้ามได้ยอ้อนกุดไข่ตามทำเป็นดังกำแต่ก่อนเช่นปู่มอนสอนมาจาตีป่าอยู่น้ำราจาสีอยู่ทำดอยดงยักเย็นพงอยู่ป่าแลลจังลาหิ ม, มาปาน จุมกวางฟ้าอนควายเถื่อนอยู่ละเลือนพระสนจาตีคนนั่นใสอยู่เมืองใหญ่ธานีกาเก่ามีดังนี้ต้นหากจีไข่ปันแ <c oughs> ม่นจอมวันลกเตามองมนเศ้าเครื่องกาผาธนาไข่ปอกวายน่าออกขึ้นหลังจุงตามใจยังไฟอ่าง พ่อบ่าจางจักจ่าและนัดสวัสดิจานังสุดตาอันว่าสองกุมารหน่อเนาฟังยากเท่าจกไขยินมีใจจุมจื่นปีติตื่นยินดีอันจุลีขาบไว้ซึ่งยักใหญ่ราชากับมารดายากเท่า ว่าแม่นลูกเต้าตั้งสองได้ผิดกองจะรีดลวงคำขีดกองทํากาญกรรมเป็นบาปจียาบ่ังไรมาโดนไอมนต์เ้าขอปอแม่เจ้าตั้งสองอย่าได้ปองเป็นโตดคอจุงโพดคุณนางดโตสาปงาด อนุญาตวางตั้อย่าฮือเป็นกรรมบาปายต้วตอบใสสองราขอพิตาติไวยกับแม่ไทยเตวี ย, ย่ามองขีมนเศร้าจุงอยู่เตียงเต้าตีขาแดเตอ เมื่อนั้นพญายักษ์ผู้เทาและนางยักษ์เทเวีก็ไค่กำดีต้านต่อส่งสองนอบุญนาว่ากำนานิาหึกหยาบจักเป็นบาปตัวตันบอกเคยหันสักหยาดกำพมาตบ่รอนมีข้อสองสหีหลูกเตา อย่าหมนเศร้ามองผ่านฝูงไพมา น, น้อยใหญ่ย่ามาไกลตัวตนข้อกังวลอุบาทจุงกากาดกับหายอนตาร้ายลายหลากจุงไกจากกาญจกันสองขาปีน้องปนจากของไรสนถึงเมืองคนตีเก่า เือได้เป็นเจ้าทรงเมืองเตจเรืองยดยาวร้อยเอ็ดเต้าขาบสมปานปันหน้ากาันหลังเขามุนมังเต้าทมทองเงินคำกองล้านโกสุขจ้อยโจทยาวาจีวังแดเด ันถึงยามมารอดสองเจ้ายอดบุญมีก่อันจุลีต่างเกาลายักเท่าสองขาแล้วลีลยาใหญ่บาดจากภาสาดปลายบนลงสู่หนกำไตเข้าป่าไม้ดงดอนเพื่อจักจรปิกปอกไหวน่านะออกขึ้นเมืองกอพีหันและนะ ตาตาในกาลนั้นเล่ายัางมีเต้าเจ้าผาปาราจือภาญาพันธุมติราชอยู่ภ า, าสาดเวสวยสีในปุรีใหญ่กว้างมีจืออ่างพันธุมตินกคบ่ออาวอนร่อนไม่จุ่มไผ่ไตเจยจม ของอูดมลายหลากจ้างมามาเหลือลายพุงวัวควายปันแพงเงินคำแผ่มทองคนเตียยกองบ่กขาดเหวลาลาดไปมาเต็เมมากาตั้งไตตั้งน้อยใหญ่ยิง่งายคนในลายไห ล, ลออกคนไปนอกไหลามาคงปาราตัวดาวดูจื่เยาว์เจยบบาน โยธาหารมากเต้าวังแวดเฝ้าห่อคำกันยานำอันมืนนาจ้อยจืนเปิ่งแป้งห่อคำแดงผาศาสางามวาวาตตอตาโสราจันวาพญานั้นเล่ามีลูกเต่ายิ่งเดียวชมชาเลียวจะจอนจื่อนางน้อยอ่อนเมคำวดี เป็นนามดีตั้งต่อเหตุนางนอโสภาผาสตดมานิามเจ้าบทมืดเศร้าไปบนฟ้าเรร้นลันร้องสะนานกองตั้งคงฝนตกลงหาใหญ่น้ำนองไข่ปูรีนิมิตมีดังนี้ โอราจีทุนสานคือพระผูบนน้บัต้นปอใส จ, จื่อหนอที่ด้ผู้มีลักขณาผ่องแผ้วว่านาังหนอแก้วเมควัดีและนาโสราจาอันวาดพญาปันธุมติราชคนิ่งขวาดในใจว่าสีนงไว้ลูกแก้วผ่าสตดมาแล้วยำฝน ฟ่าปายบนหลันร้องสนันกองปฐวีจักเป็นดีปลายนาเรือถอยจ้าตกผ่านพระผู้บานเกิดแล้วก้อเสนาแก้วต่างตาเรียกโหราผู้ใหญ่มานั่งไกจะทำบาลูจิ้งนำบ่เอเศร้าผ่าสตดเมื่อเจ้ายำลมจักอุดมปายนา เรือตามจ้าสันได้ตันจุงไครบอกแจ้งือเสียงแห่งสังกามโหราผู้ใหญ่กอน้อมใบทุนศานไข้อาการเก้าเหตุตามตัวเศษปินเต้าว่านางทิ้งเล่าน้อยอ่อนบุญจัดกอนนำนาหอมยับมาหลจัดไัยบอกอาเตรียมตัน เธอเมื่อวันปลายนาอายุกว่าสิบปีนางจากมีข้อใหญ่โจกก็ได้จอบมาคือสลีโซภาน้อยหนาจักก่อยกัดหายห่หนไปจากบนผาสาแห่งเต้าที่ราชองคำไปตกลำปากว้างกลางตาตั้งหิมมาปานบ่อปอนานแต่ใส จักปอกใดคขึ้นมากับพญาาต่างดาวอันเป็นเต้าแดนไก่แต่นั่นไปเป็นเก้าบ่หมุนเศ้าขี่ขมจากดมสมไฟมียศใหญ่หรือเมืองบ่ขี่เครื่องหมุนเศ้าท่าราต่อเต้าจาระเมื่อนั่นพญาปันธุมติราช ฟังโอกาสโหราจานบอสำรานใจไทยหายใจใหญ่สูสูจกคือตัวดูแถมใหม่ก็บอใจตามกอง <c oughs> ต้า่นั่งมองมอนเมียงดักเห็บเสียงคำจา่ายโหราผู้เทาก่อกลมเก่าอันจุลีแล้วล่าดีขึ้นสูยังตี้อยู่เฮือนตนแลนะฮะ ต่อปารังแรกแต่นั่นไปไปนานัางนอลาเมขาวดีูทธรงสรีวิลาศลักขณะอาจเอาใจจำเดินไว้ใหญ่กาอายุ ก, กว่าสิบ ป, ปีเจ้าปุรีตนป่อคันิงต่อหมอต้ายว่านางจักหายกากรจากภาสาดไปบน จิงหือคนมวนหมู่มาแวดอยู่แห่นกันพัดเปลี่ยนกันอยู่เฝ้าจู่คำเจ้าขึ้นพันก็มีหันเลยนะตามัดทางประกาเศเซนตตัวศรัทธาศรัทธาอันว่าสัพปัญญุตนเป็นคู่แก่โลกคือป้นอกข้าสงสาร หันนาธาดีตานไปแจ้งพระจิงแสงเตงสนาวาทโคโศปันธุมติราชดาดังนี้เป็นต้น <c oughs> เหตุข้าเวดุราพิกคกตั้งลายผูคานิงหมายใจจอดไข่ไปรอดน้ราพานส่วนเต้าฟูบานปันทุมติราต ฟังโอกาสหมอต้อยว่านางจักหายกากาดไปจากภ า, าสาใส่สีเมื่อถึงสิบ ป, ปีไปนาตนเจ้าฟ้าบสังกากันใส่ทีดาอ่อนน้อยนาจื่จ้อยบวัวไครจำเรือนไว้ใหญ่กาอายุกว่าสิบ ป, ปียาตาและมีเมื่อใดดังอัน ตาตาในกาละนั้นเล่าเต้าเป็นเจ้าปัญธุมาติราชาก็มีอาญยาปารองไปตัวห้องเวียงใจเสนาในาอามาตังไพราษฎร์คนใมามากลายหนุ่มเทามาแวดเข้าห่อคำอยู่ผ้าจำจุติ ยายจุดที่นำนาตั้งปืนยาหมอกนาดบาอกหืขาดไปได้หอกคมใสมาหาบกับตั้งดาบคมบาง <c oughs> ก็หืดดางจู่พูมียดไว้อยู่กับตนฝูงรีปนมวลหมู่วังแวดอยู่จู่ปายจุมคนใจหนุ่มเทาบอกหืเข้าไปใน บอกฮือภัยเข้าไก้พาสัตว์ใหญ่หอนางเจ้าหอฟังตนป่อหัก น, นั่งนอที่ดาใน้ฮือเสนามาตั้งไพราชเจ้าเมืองมานันเนืองอยู่เฝ้าลายเวบเขาวัดสาเถึงายที่ดาขึ้นใหญ่อาอยู่ได้สิบหกปี บ่หันมีอุบาทจักมาป่าต่อปานจนภัยมานต่างดาวบ่หูข่าวมีมาคนรักษาปอกายไข่ปอกหว้ยเฮือนตนใจเววนบ่ตั้งพ่องกอนั่งนอนข้างพ่องกอวางหอกดาบตบมาพาพลองเจิงพ่องกอเลืงแอวกาด เดวลาลาดเป็นจุมพ่องก็หุมวิเ็นพ่องก็เล่นมากสักาพ่องมายาหมจูศองแอวจาสาวพ่องก็เป่าแม่ห้างตามไฟอังคนิงในยาตาและมียามได้ดังอันตาตาในกาละนันไซ นองนอไทยเมคาวาดีวิบากมีมาตองอยู่ในห้องพังกายน้ำขวายมาแดดอ่อนก่อนเหยือกซะตอนดาวเย็นดังจักเป็นเมื่อยไขรจริงหือนางก่อมใจกันยาเอาอาดสะนาเสือสาสไปปูลาดกลางจานแล้วสรีนงคานแบนฟ้า ก็นอนหมผ้าพื้นแป้งคือกำปนแดงวิเศษมาจากเขตกาศีหลวงรับดีมาโมยส่วนข้าคอยคนใดก็นี่ไก่บอกไก่ละนั่งไวก้กางจานก็มีฮันเละนะ อาเทโกฮะทีลิงกะซาโโนอากาเซนากะโตในกาลนันไซยังมีนกใหญ่หัดสดีลิงมันกะดิงไฟอ่างไข่กินจ้างปังปายก็ผันพายไว้หว่องบินจาก้องอยู่ ก, กันทอนข้ามดองดอนป่าไม แลสอดไข่ดงตันก็บ่อหันสั์ป่าอันจักลาเอากินมันก็บินจใจใจคำป่าไม่ดงนาหลวดพดมารอดทองพระเตต้องปุรีหันนางเมข้าวดีนอนลานอนห่มผ้ากางจาน นกดงดานตัวใหญ่มันก็ใส่ใจใหมายว่าเป็นจินควายพงใหม่ต้านตากแดดไว้กินเบิรนมันก็เหินจากฟ้าบ่ได้จ้าสับ ป, ปันเอาตีนมันร่มใดยัดยงนางนอไทยเมฆาวดีและบินนีไว้วาด ด้วยอากาศปายบนไปสู่หลเกลื่อนทองแดนเตต้องหิมมา้านก็มีหัมและนาต <c oughs> าจะมิงคาเนในคานานันใสเสียงร้องให้ปริเทวานาเสียงเววารำร้องเกิดไข่ห้องเนือง น, นั้น คนได้หันและหัวต่างก็อูยาวไปต่างมีใจสะดุงสติฟุ้งเววนโกลาหุนอันใหญ่เกิดขึ้นไข่ธ า, านีนางเตวีตนแม่ตั้งเท่าแก่ตาน้ายกัญญาลายหนุ่มเท่าตั้งเต่าเจ้าพิตาตั้งเสน า, ามาตั้งไพาราชเจ้าเมือง โอ้ดันเนืองร้องไห้เสียได้แก้วแก่นไทยเมขาวาดีเจ้าปุรีทุกสารอกถึงบ้านนอกแดนไก่ต่างมีใจรักขอดอยังนางยอดทีดาต่างดีรำจาบอกแล้วว่าเสียได้นังดอกแก้วตาเขียวลูกยิงเดียวแห่งเต้านกไรยเ น, น่านีหาย คนญิงจอยน้อยใหญ่มองมนควายทาดีส่วนนางเตวีผู้แม่ให้พัดแพ่เร่ร้นตีอกตน ท, ทาทับบ่กุดขางงาแปลงไงย้ <c oughs> อนเสียได้บ่แล้วยังลูกแก้ใส่ใจรร่รำไรก่วท อ, อยว่าเสียได้หนอน่อยบัวบานเสียได้สีนงคานงามอาจ เสียได้ดังนาจาวเมืองละกำเครื่องฮือแม่ไปตกแก่แดนใดบอกหูไกหรือไกจักรอดใดหรือตายบอมีมายหูรอดนกใบบอดปลาลาสันใด้จ้าอยาบจ้ามานอำลูกค้านี่ไกบิบากใดจัดก่อนมาไหลตอนตัวตันนี่จ้า มองผาญยอดซอยตุกจจองหอยในตนใจเวิวนปั่นบาริรำว่าลายภาการก็มีวันนั้นแหละนะเนธิตังขีญาสังวันานานาวิเศษจ่าห้องเหตุนางดวนคำผูกทวนสี หากเถึงตีดีลงจริงขอปองเตา อ, อีกอบังคมสมฤตเสร็จแล้วเตาดีก่อนแลว